ทราบผิวเอเสื่างกายเข้าศบมีสภาพเป็นยังไงจําให้ติดตาตอนนี้เป็นกระสินแล้วนะพอจําให้ติดตาจําให้จิตใจกลับมาถึงที่ของตนก็มานั่งนึกถึงภาพของซากศพนึกถึงภาพที่เห็นนั่นให้มันติดใจนึกขึ้นมาแม่ไรให้ประการกดมันนั่น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 มันเน่าแล้วก็แถมตายด้วยเห็นคนอื่นคนใดก็าตามทีมีมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นภัพความจริงเขาเดินได้แต่ในใจรู้สึกว่าแหมนิวซากศพเคลื่อนที่เขามาใกาล้เราอยู่แล้วมันเป็นภาพเป็นร่างกายที่น่าเกียดที่สุดอร บ, บันดาท่านพุทตริษัตรเวลามจะเลย